น, นี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องของอุปาทานคือจิตที่มีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเดชที่เกิดความยึดมั่นถือมั่นซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลําดับนั้นเราไปอยู่สองประการ คือการผู้ปร า, านยึดมั่นถือมั่นโดยอํานาจของความใคร่ซึ่งจิตของบุคคลเกิดเป็นกำหนดหมายอารมณ์พ่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็มีความปักใจฝังใจในสิ่งนั้นยึดมั่นในสิ่งนั้นลงไปโดยอํานาจของความใคร่ซึ่งเราอาจจะพูดว่าความรักหรือความผูกพันความเยื่อใหญ่ความเสนิหาเป็นตน้น จุดเริ่มต้นนั้นเป็นการเริ่มต้นมาจากความเข้าใจผิดความลงผิดเพราะเมื่อมีจิตไปยึดมัน่นถรือมั่นในลักษณะนั้นก็จะเป็นไปตามสูตรที่ทรงแสดงไว้โดยสรุปเป็นหลักเอาไว้บ้างอากุศลแธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วอกุศลธรรมอย่างอื่นที่ไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอุปาทานข้อนี้แม้เพียงข้อเดียวก็พร้อมที่จะขยายไปสู่บาปอกุศลอย่างอื่นที่มีความเข้มข้นจักขึ้นไปโดยลำดับก็นี่เพิ่งสังเกต ต, ตัวลักษณะของกาอมปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นโดยอำนาจของความใคร่ทางจิตใจมีความผูกพันมีความยึดติดอยู่มากก ไม่สามารถจะควบคุมความรู้สึกนึกคิดในขั้นของการสแสวงหาเมื่อไม่สามารถควบคุม ก, การสแสวงหาได้ก็จะเป็นการสแสวงหาในทางที่ไม่ชอบธรรมก็กลายเป็นอกุศลทุจริตหินหลักของสมาชีวะและอาจจะออกมาในรูปของอตินาทานซึ่งเป็นการผิดศีลต่อไปจะในขณะเดียวกัน ในช่วง้องการดูแลรักษาสิ่งเด่านัันก็จะกลายเป็นความประมาทมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในสิ่งเด่านัันถ้ามีความผูกพันอย่างสูงแม้ตายไปแล้วจิตใจก็เกี่ยวเกาะอยู่กับสิ่งเดียวกันอย่างในพระบาลีที่เล่าถึงพวกเปรตเป็นอันมากเช่นเปรตงูเหลือมเปรตช้างเป็นต้นจึงเกิดขึ้นจากความผูกพันในทรัพย์สมบัติที่ตัวเอง ฝังเอาไว้ในดินตายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะสลัดความผูกพันเหล่านั้นได้มังก็ตายไปเกิดเปรต เ, เ, เรื่องของพระที่ตายแล้วไปเกิดเป็นเลนเป็นต้นก็มีลักษณะอย่างนั้นพอใจของท่านมีการมุปาทานอยู่ในจีวรซึ่งเป็นวัตถุที่ท่านกำหนดหว่าหน้าใครนะ่าปรารถนาน้าพอใจแต่บางทีที่เล่าถึงคนบางคนกระทาความดีไว้เป็นอันมาก ว่าก่อนจะดับจิตจิตไปเกี่ยวเกาะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งปลูกพันุ์อยู่สูงแทนที่จะเนียวนึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทําไว้ก็กลับไปเหนียวดึกด้วยความผูกพัน์ในสิ่งเหล่านั้นตายก็จะไปเกิดในกําเนิดเหล่านั้นและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเสื่อมสลายไปความสงสาราเสียใจก็จะเกิดขึ้นได้มาก ถ้าในกรณีเป็นความหูกพันที่เกี่ยวข้องกับบุคคลก็จะก่อให้เกิดผลในลักษณะหนึ่งที่ขาดความเป็นธรรมขาดความเที่ยงธรรมและขาดความยุติธรรมนั้นก็คือฉันทากติจิตใจของบุคคลก็จะโอนเอียงไปด้ยอำนาจของความรักใคร่พอใจผูกพันเหล่านั้นลักษณะของฉันทากติเมื่อเกิดขึ้นในวัตถุในบุคคลใดแล้ว ก็ต้องการให้คนอื่นมีความเห็นร่วมกับตนแลื่คนอื่นไม่มีความเห็นร่วมก็จะเกิดเป็นโทษสะแล้วเจ้าก็พยายามปกป้องบุคคลนั้นเป็นท่รกของตนเรื่อยไปเรียกน้านของพยาคติลักษณะเหล่านี้จะเห็นว่ากิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเรื่อยๆจะหนากอาจจะออกมาในรูปของความรุนแรง ปกป้องวัตถุหรือบุคคลอันเป็นทิรักของตนตามโครงสร้างของอาฆาตวัตถุคือวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตเป็นการฆ่าคนซึ่งตนคิดว่าจะเป็นอันตรายต่อสิ่งหรือบุคคลอันเป็นทิรักโดยการผูกอาฆาตจงเวในบุคคลที่ตนคิดว่าน่าจะเป็นอุปสรรคต่อคนต่อสิ่งของอันเป็นทิรักของตน ก็จะเกิดความโกรธแค้นต่อบุคคลที่ไปทําอะไรอันเป็นปฏิบักษ์ต่อสิ่งหรือบุคคลอันเป็นที่รักของตนเป็นตนเพรลักษณะเหล่านี้มีแต่การเพิ่มกิเลสได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเพิ่มตัวอุปาทานตัวตัณหาเองก็เพิ่มตามไปก็เกิดเพิ่มพบคือความมีความเป็นขึ้นมาเรื่อย สภาพจิตของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของกิเลสและความรุนแรงเหล่านั้นในลักษณะของตัณหาอุปาทานแล้วก็เพิ่มที่ตัวอวิชชาเข้าไปด้วยเพราะในพวกปัจจัยการนั้นสังเกตว่ามีกิเลสอยู่สามตัวกิเลสที่เป็นรากในอดีตก็เกิดออวิ ช, ชากิเลสที่เกิดขึ้นในขณะสัมผัสอารมณ์แต่ละขณะในใจไปกําหนดเรื่องนาจความใคร่ก็เป็นการอัตหาต้องการมีต้องการเป็นก็เป็นเระว่ตัณหา ไม่ต้อการมีไม่ต้อการเป็นก็เป็นวิภวตนณาแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นอุปาทานแต่ด้านทิฏฐิคือความคิดเห็นก็มีลักษณะอย่างนั้นที่กลายเป็นทิฏฐุปาทานนั้นเป็นอาการของโมหะก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโมหะว่าเขามีมากหรือมีน้อยลักษณะความยึดติดในสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งยิ่งในตัวความเห็นก็มีความหยาบกลางละเอียด มีอยู่ภายในใจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็นี่บพงสังเกตตัวอย่างบุคคลแม้จะมีทิศถูกปาทานก็ยึดมั่นหรือมั่นดรียบนาจของทิฏฐิอยู่แต่กิเลสประเภทนี้มีมากไม่มากพอเมื่อได้รับการชี้แจงอธิบายดย้วยเหตุด้วยผลท่านก็เกิดความเข้าใจได้ ในการปรักใจขวังใจของพระปัญจวัคคีย์ที่ว่าการจะสัตรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องบําเพ็ญทุกระกริยาเพื่อทำตัวรับความลําบากแม้เมื่อพระเจ้าเสด็จไปแล้วท่านก็ยังมีความคิดต่อต้านและมีการกระทําในลักษณะต่อต้านแก่ขาดความเคารพอยู่แต่หลังจากได้ฟังเหตุผลที่พระเจ้าทรงแสดงและรับสั่งย้อนให้ท่านเหล่านั้นคิดเอาเมื่อท่านคิดเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน ในองค์พระพุทธเจ้าก็ดีในตัวเขาท่านเองก็ดีก็จะเกิดหลักความคิดว่าข้อที่พระเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์จะรู้นั้นมีความเป็นไปได้และในที่สุดท่านก็พร้อมที่จะฟังธรรมแล้วก็รู้ ม, มคผลกันไปแต่หากว่าทิฏฐินั้นมีความเข้มข้นเกินเหตุจะอยู่ในประเภทที่ใกล้เกลืกินดังหรือว่าถ้าปี่ตักแกงอย่างที่ทรงบุปผะมาเอาไว้ แม้จะได้ฟังธรรมสดับธรรมแต่ลอถึงพิจารณาธรรมยังไงก็ตามในสุดจะไม่สามารถถ่ายถอนตันหมามณะทิฐิเหล่านั่นลงไปได้คราวนี้เรสังเกต ต, ตัวอย่างความคิดของท่านสันชัยเวรัสกุฎซึ่งเป็นคณาจารย์เจ้าระทิในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าโดยพื้นจิตใจจริงๆแล้วท่านก็ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ศัรูจริงเป็นพระพุทธเจ้าจริง แต่การจใจท่านยอมเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านเสียดายสถานะที่ท่านเคยเป็นเพราะอุปท า, านจึงกลายเป็นสองข้อแทนที่จะข้อเดียวคือเป็นการมุปาทานมีความยึดมั่นหรือมั่นในสถานะที่ตัวเองใคร่ตัวเองพอใจด้วยความเป็นใหญ่ความเป็นอาจารย์ของเจ้าละทิของหมู่คณะต่างๆ การเป็นลูกศิษย์บุคคลอื่นนั้นรู้สึกว่าตัวเองจะเล็กลงไปในสุจัติทิฏิตัวนี้ท่านก็ตายไปด้วยทิฏฐิตัวนี้โดยไม่ยอมขยับจากจุด ท, ที่ตัวเองเห็นว่าผิดอยู่ข้อนี้เพื่นสังเกตว่าการกระทําของบุคลเป็นอันมากที่ในลักษณะของอุปท า, านคือทั้งการทั้งทิฏฐิปะปนกันอยู่ บางครั้งสิ่งที่เป็นโทษต่อ น, นั้นเราประจักษ์แก่ใจของเราเป็นโทษเราสามารถจะชี้แจงอถาธิบายถึงโทษของการกระทําเช่นนั้นได้อย่างถูกต้องชัดเจนในขณะ เ, เดียวกันตัวเองก็ลดละพฤติกรรมเช่นนั้นไม่ได้ก็หมายความว่าตัวที่ถิ่นั้นมีความเข้าใจแจม่มแจ้งอยู่พอสมควรแต่ตัวอุปาทานคือการอุปาทานนั้นยังมีอิทธิพลเหนือกว่า ในความคล่ายความพอใจความติดใจในสิ่งเราดันจะมากกว่าทิฏฐุปาทานจึงมีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดเฉพาะในที่นี้จะกล่าวในส่วนที่ค่อนข้างจะละเอียดตามมายาที่พระเจ้าทรงแสดงว่าสังกิเตนะปัญจุปาทานะกันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ระยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั่นเองเป็นความทุกข์ ข้อนี้เป็นสังเกตการยึดมั่นถือมั่นในขันของบุคคลพระเจ้าทรงจำแนกแสดงออกไปถึงยี่สิบในยะด้ยกันเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความละเมียดละไมที่เกิดขึ้นภายในจิตซึ่งบุคคลจะต้องตรวจสอบดูที่จิตตัวเองว่าเรายึดถือขันในแนวไหนหรืออาจจะยึดถือทุกแนวก็ได้ใ น, นการยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นรูป หรือว่ารูปเป็นเราหรือว่าเรานั้นมีอยู่ภายในรูปหรือว่ารูปมีอยู่ภายในเราพูดง่ายง่ายระหว่างกายกับจิตนั้นเราถือว่าเป็นนั้นเดียวกันหรือว่ามีความเกี่ยวข้องผูกพันกันแต่ในกระดาษเดียวหนึ่งก็มองว่ากายอยู่ในจิตหรือว่าจิตอยู่ในกายแต่สรุปว่าแต่ละสองสองสิ่งนี้แม้จะ มีฐานะเปลี่ยนแปลงไปใครใหญ่ใค ร, ใค ร, ใค ร, ใครเล็กก็ตามก็คือความเป็นรูปต้องมีการกําหนดหมายในแนวของความเป็นรูปโลกเราเป็นโลกของสัมผัสสิ่งที่เราเกี่ยวข้องกันอยู่ในชีวิตประจําวันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นรูปประทับกับสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งใดได้เรนด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายสิ่งนั้นเราก็เรียกว่ารูป เมื่อการกําหนดว่าเราเป็นรูปหรือรูปเป็นเราหรือแม้เรามีในรูปหรือรูปมีในเราก็ะทำบุคคลก็จะมีความเดือดร้อนเพราะความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของรูปเพราะอะไรเพราะรูปนั้นแกเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอย่างหนึง่งใจของบุคคลก็จะไปกําหนดหมายให้แกเป็นอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่เราต้องการมันก็มีทั้งการกําหนดหมายในแนวหยาบแนวกลางแล้วก็แนวละเอียด กำหนดหมายในแนวจับๆบเป็นการบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นแต่วางเราก็รูปหรือรูปก็เราเราเป็นรูปหรือรูปเป็นเราก็ตามไอ้จุดนี้แหละมันจะขยายออกไปเพราะว่าเป็นโลกของสัมผัสก็เป็นสามีปัญญาของเราเป็นลูกของเราเป็นครอบครัวของเราเป็นบ้านเมืองของเราเป็นต้นแล้วเราก็ต้องการให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็น แต่จริงแล้วเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเป็นคนละเหตุคนละปัจจัยกันเมื่อสิ่งเรา่านั้นเปลี่ยนแปลงไปคือไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราก็เกิดความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเช่นว่ารูปขรุขระของเรานั้นมีความแก่เป็นธรรมดาแต่เราเองไม่อยากให้แก่พอแกต้องแก่ตามธรรมดาของแกเราก็เดือดร้อนเพราะความแก่เป็นทุกข์กังวลเพราะความแก่ รูปนั้นจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามธรรมดาเราไม่ต้องการให้แปรปรวนเปลี่ยนแปลก็เกิดการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเข้าก็เกิดความทุกข์ความทรมนันความเสียใจดังนั้นอย่างนี้พระเจ้าทรงแสดงโดยหยากบๆเอาไว้ว่าความปรารถนาของคนเราในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากก็เกิดนั้นเช่นขอขอเราอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่ามีการพลัดพรากสูญเสีย ไว้ทรัพยสมบัติเกิดขึ้นแกเราในทางที่ชอบทำก็ให้เราตายไปแล้วไปอเกิดในสวรรค์เป็นต้นคือแต่อย่างที่จริงแล้วมันเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติมันทั้งหมดการที่สมบัติจะเกิดขึ้นในทางที่ชอบทำนั้นไม่ใช่เรื่องของความปรารถนาแต่เป็นเรื่องของความพยายามแต่ตามปกติแล้วคนชอบที่จะตั้งความปรารถนาแต่ไม่ชอบใช้ความพยายามเพราะความปรารถนานั้นทําง่าย หรือตั้งความปรารถนานั่งบวงสวงอ้อนวอนกราบไหว้กราบปลบุกปลุกไปก็ต่างอธิษฐานใจเอาได้แต่ก็ทำได้แค่อธิษฐานผลที่จะเกิดขึ้นตามแรงอธิษฐานหรือไม่นั้นอยู่ที่ความเพียรพยายามแต่ความเพียรพยายามเป็นความเหนื่อยยากลาบากต่กตางๆในกิจการงานเหล่านั้นคนก็ไม่พร้อมที่จะใช้ความเพียรพยายามนสุก็เกิดเป็นความขัดแย้งกัน ลผลที่เราต้องการนั้นก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะเราไม่สร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลตามที่เราต้องการเร่การมาเกิดในสุกติโลกสวรรค์ก็เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องของการตั้งความปรารถนาเพียงอย่างเดียวแต่ทางสวรรค์นั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วทางนรกก็ทรงแสดงไว้แล้วทางนิพพานก็ทรงแสดงไว้แล้วแต่ละขั้นตอนบุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้น ดึงจะได้ผลอย่างนั้นแั้วเกิดขัดแย้งกันอีกเพราะว่าเราชอบปรารถนาแต่เราไม่ชอบใช้ความเพียรแล้สุดสิ่งที่เราต้องการปรารถนาจริงๆก็เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ไปเลยแต่ทวนความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นเรื่องของสภาวธรรมจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของแกเราทําได้อย่างมากก็แค่ชะลอไปหน่อยเท่านั้นเอง บริหารร่างกายมีสุขภาพสุขภาพพรานามัยดีแต่จะห้ามไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยมันเว็ดไปไม่ได้ดันเรื่องเหล่านี้ที่จริงแล้วก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นจากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นที่เกินเเกินผลไปเพราะการของอุปาทานนันทิกามันแล้ ว, ว่าแม้จะเป็นรควันทิชิแต่ก็เป็นเรื่องของอวิชชาคือความมืดบอดในการใช้เหตุผล ในการหาข้อยุติที่ถูกต้องสมบสูรณ์สมผลของบุคคลดอนั้นแล้วก็เพิ่มในตัวการมุปาทานตามเข้าไปด้วยในตัวตัณหาเองแกก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาด้วยนั้นบุคคลจึงประสบความเศร้าโศกเสียใจและความผิดหวังเพราะไปตั้งความหวังในเรื่องที่ไม่อาจจะหวังได้อันนี้จริงข้อนี้พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตั้งแต่ต้นแล้วคือตั้งแต่อนัตตลักษณสูตรซึ่งเป็นประสูตรแรกแล้ว ว่าใจความโดยสรุปก็คือขันห้า น, นั้นเป็นอนาัตตาคือไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะบังการบ่บงการบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไปได้ทุกกรณีโดยเฉพาะในแง่ของความแปรปรวนตามหลักของสภาวธรรมเป็นเรื่องที่ปัจจัยยอมรับแล้วก็อยู่ให้ได้ในทรรมการความแปรปรวนเหล่านั้นก็ใล้ๆกับความ วิปริแปรปรวนก็ทำมาจากธรรมชาติฝนตกแดดออกแผนดินไหวน้ำหลากเกิดพยตตายุใต้ฝุ่นเกิดพายุโซนร้อนอะไ ร, ต, ออะไรต่างๆอีกต้นมันเป็นเหตุปัจจัยของมนันเหตุปัจจัยมีให้เกิดเขาก็เกิดเหตุปัจจัยไม่มีแม้เราจะเรียกร้องให้เกิดาก็ไม่เกิดเพเาะมันเลยเขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยเรก็ทรงสอนให้บุคคลยอมรับในแง่ของความเป็นอิสเป็นปัจจัย ว่ามันเป็นสิ่งที่เราบงการบังคับให้เป็นไปแม้จะอ้อนวอนบงสวงขอร้องหรือกราบยังไงก็ตามขอให้เ็าเป็นไปตามที่เราต้องการใะเป็นไปเขาก็เป็นไปตามที่เขาเป็นไปเพราะไรเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงๆที่เรายึดถือว่าเป็นของเราที่จริงเป็นเรื่องของการสมมติปัญญา ถึงแน่นอนในชั้นของการสมมติบัญญัติก็คือสมมติบัญญัติที่บุคคลจะต้องปฏิบัติได้เหมาะสมสอดคล้องกับฐานะที่เป็นสมมุติบัญญัติในกรณีดนั้นๆแต่ก็ต้องเตรียมใจยอมรับความจริงในแง่ที่เป็นจริงเอาไว้เดี๋จะเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่โลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียคือในส่วนของสมมติบัญญัตินั้นเป็นเรื่องของโลกมีกฎเกณฑ์มีกติกา มีระเบียบแบบแผนกำหนดกันมาแล้วก็มีเหตุมีปจัจจัยของข้อรอดนั้นเราก็ยอมรับตามสถานะของสิ่งเดียวนั้นและปฏิบัติให้เหมาะสมแต่ในส่วนของความจริงที่แท้จริงที่เรียกว่าเป็นปรมาทสัจจะนั้นมันก็ต้องมีอยู่ส่วนหนึ่งภายในใจเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วพอประสบกับความจริงตามธรรมชาติธรรมดาจะเสียหลักเสียการทรงตัวที่เราเรียกบัณฑิตทิ้งธรรม บุคคลเรานั้นอาจจะแสดงลักษณะของบัณฑิตให้บุคคลอื่นเห็นอยู่ในที่ต่างๆในอารมณ์ต่างๆได้เป็นนั้นมากและอาจจะรักษาวความดีอยู่ได้เป็นหลา ย, ลายปีเพราะอะไรเพราะอารมณ์กระแทกจากข้างนอกไม่แรงเราก็วางมากเป็นบัณฑิตอยู่ได้แต่ที่จริงบัณฑิตแล้วจะต้องไม่หวั่นไหวในยามประสบสุขและทุกข์ไม่แสดงการขึ้นลงทั้งดีใจทั้งเสียใจทั้งสุขทั้งทุกข์ บันดิตจึงเรียกว่าเป็นตาทิโนคือคงที่เราจะว่าอย่างยิ่งในด้านจิตใจจะไม่แกว้งไกรไปด้วยอำนาจของความรักหรือความจังต่ตามปกติเราก็พิสูจน์ไม่คยได้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ที่มากระแทกใจนั้นไม่ได้มากเสมอไปบางคนนั้นถูกป้องกันไว้ถูกประคบประงมไว้ไม่ได้เจอแดดเจอลมอะไรเลย เราอาจจะมองเขาว่าสุขภาพดีก็ได้แต่ปัญหาว่าถ้าคนเหล่านั้นต้องไปกรำแดดกรมฝนต้องลุยในทำกลางอีมะเป็นต้นเนี่ยสุขภาพภรารนามัยเขาจะแข็งแรงพอหรือไม่นัน้นนจิตใจก็มีลักษณะเช่นเช่นเดียวกันจะต้องมีความเข้มแข็งมากพอเวลาปะทะกับอารมณ์ข้างนอกจึงอาจจะเป็นแรงกระแทกอย่างหนักๆอะไรเมื่อนั้นแหละ ถ้าเรายัางมั่นคงอยู่ยังปรับใจอยอมรับความจริงได้จุกก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่แสดงการขึ้นลงเป็นอันเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตในเมื่อเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้ชัดเจนพระเจ้าก็ได้ทรงแสดงเห็นว่าถ้ารูปนี้เป็นอัตตาก็เป็นตัวตนไม่ว่าจะเป็นของเราหรือเราเป็นรูปรูปเป็นเราเรามีในรูปรูปมีในเราก็ตามเราก็สามารถตั้งความหวังได้ ขอให้รูปกเราจงเป็นอย่างนี้เถอะอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยขอรูปเราอจะแก่จะเจ็บจะตายขอให้สะสวยยุติ้ยไปจะแก่งอมจะเหนือ่อยจะเมื่ อ, อยจะปวดอะไรแต่ไหนเนี่็ถ้าบอกได้อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่โลกแล้วดังนั้นพระเจ้าจึงทรงสอนให้บุคคลทราบความจริงไว้ว่าถ้าสิ่งทั้งหลายนั้นสําเร็จไปด้วยความหวังหมายความตั้งความหวังปั๊บก็ได้ตามที่หวังประปบุปุอย่างนี้ โรคนี้ก็ไม่ใช่โลกแล้วชีวิตความเพียรพยายามก็จะไม่มีคุณค่าอะไรธรรมะคือความเพียรพยายามจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้ใช้เพียงแต่ตั้งความปรารถนาเอาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็เป็นไปตามปรารถนาที่อาจารย์ได้เคยกตัวอย่างไว้ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆโลกก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะตัวกิเลสไม่ได้ลดลงไปบุคคลก็จะตั้งความปรารถนากัน แล้วก็เป็นไปตามความปรารถนาในที่สุดก็จะแข่งตั้งความปรารถนากันและสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วได้ตามปรารถนาเองนั้นจะถล่มทับบุคคลนั้นตายกันไปข้อนี้เราสังเกตรแรงปรารถนาและใช้ความเพียนพยายามเป็นไปตามที่ตนปรารถนาคือก็เกิดการแข่งขันจนแข่งขันพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกอาคารใหญ่ที่สุดในโลกอะไรแต่อะไรในโลกอะไรต่างๆที่มีการแข่งขันกันนี่ย แต่เป็นการแสดงเห็นว่าบนเส้นทางของการสแสวงหาเพื่อความยิ่งใหญ่นั้นมีคนเป็ น, นมากสูญเสียมีคนเป็นมากล้มตายมีคนเปน็นมากที่ขัดแย้งกันแต่มีคนเป็นมากที่เสื่อมถอยศรัทธาในสถาบันในบุคคลบางพวกซึ่มีกิจกรรมในลักษณะสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นต่ในั้นสุดก็หาคนใหญ่จริงไม่ได้ ยาพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกยังไม่ได้พอมีการแข่งขันมีการทำลายสถิติกันอยู่เรื่อยไปนั้นเรื่องความเข้าใจในในยะของรูปตามความเป็นจริงพระเจ้าจึงทรงสแสดงว่าพระรูปมันเป็นอ น, นัตตาคือไม่ใช่ตัวใช้ตนอะไรรูปจึงเป็นไปเพื่ออาภาและสัตว์จะไม่ได้ในรูปตามที่เราหวัง ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เธอดขอรูปจงของเราจะได้เป็นอย่างนั้นได้เพราะถ้าปรับใจยอมรับความจริงได้ในลักษณะนี้ในความยึดมั่นถือมั่นในรูปทั้งหลายอย่างน้อยก็จะแบ่งใจได้ใน้ราเาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรูปหรือกับบุคคลหรือกับสิ่งของอะไรก็ตามหรือเขาอาจจะดีหรือไม่ดีวันนี้ก็ดีต่อไปก็อาจจะไม่ดีก็ได้ ก็ตํานองคล้ายๆกับการมองคนที่เขามาหาที่บ้านเราวันนี้เขามาวันนี้เขาอยู่พรุ่งนี้ก็ไปก็ได้เพราะอะไเพราะเขามาด้วยเหตุปัจจัยของเขาก็อยู่ด้วยเหตุปัจจัยของเขาคือด้วยความตั้งใจด้วยความชอบใจของเขาแล้วเขาก็จับไปด้วยใจของเขาเมื่อเราเตรียมใจรับทั้งสองอย่างเวลามาก็ใช้ประโยชน์จากการมาเวลาอยู่ก็ใช้ประโยชน์จากการอยู่เวลาไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ วันเมื่อช่วงความคิดตอนนี้ถ้าเราเหยียดการเวลาออกไปกว้างขึ้นเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเราจะพบว่ามันก็อยู่โครงสร้างเดียวกันกับการพลัดพรากของคนอันเป็นที่รักสัตว์สิ่งของอันเป็นที่รักญาติพี่น้องอันเป็นที่รักและแม้แต่ตัวของเราเองไม่ได้อยู่ร่วมกันตลอดไปมีวันเจอก็มีวันจากเมื่อมีวันจากก็อาจจะมีวันเจอ และการเจอนั้นจะเจอทั้งในช่วงสั้นและในช่วงยาวในช่วงสั้นๆเราจากกันไปแล้วไม่เท่าไหร่อาจจะเป็นวันอาจจะเป็นเดือนอาจจะเป็นปีอาจจะเป็นหลายปีแต่ก็เจอกันและแม้ในสังสารวัตรอาจจะมีวันเจอขึ้นมาได้ถ้ามีเหตุปัจจัยให้เจอกันเพราะเวลาสอนก็ทรงสอนไปถึงแนวสังสารวัตรของบุคคลที่ต้องการเจอ โดยทรงชี้เห็นว่าบุญกุศลที่บุคคลกระทาร่วมกันในมาศฐานที่ใกล้เคียงกันเช่นมีศรัทธาใกล้เคียงกันหรือสม่ําเสมอกันมีศีลสม่ําเสมอกันมีจาระความเสียสละสม่ําเสมอกันมีปัญญาสม่ําเสมอกันบุคคลก็อาจจะอยู่ร่วมกันได้แล้วเกิดพบกันได้แม้ในทางสารวัตรนี้เป็นการศึกษาให้บุคคลได้ประโยชน์ในระดับของสังสารวัตร เพราะอาศัยความเยื่อใ่ความเสน่หาที่ต้องการอยู่ร่วมกันตลอดไปก็มีเหตุปัจจัยเกิดการอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าสรงแสดงเฉพาะส่วนเหตุผลจะเกิดเป็นการอยู่ร่วมกันหรือไม่ก็อยู่ที่การสร้างเหตุนั้นถูกต้องสมบูรณ์ตามที่สรงแสดงไว้หรือไม่ถ้าหาก็าไม่สมบูรณ์ก็เป็นเรื่องที่บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบในเหตุเองว่าเราเหตุเราไม่สมบูรณ์ก็คล้ๆกับนักเรียนสอบตก คือต้องรับรองว่าเหตุของเราคือการศึกษาเราเรียนความเข้าใจในเนื้อ ห, หาวิชาของเราไม่สมบูรณ์พอถ้ากำหนดเอาไว้แล้วว่าเกรดขนาดนี้สอบได้ก็สอบผ่านพอดีเราทำเกรดไม่ถึงก็แสดงว่าเหตุนั้นเหตุให้ผ่านมันไม่มีการผ่านก็ไม่เกิดขึ้นผลจะธรรมะปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นติในชั้นที่ละเอียดตรงไปลักษณะความยึดมั่นหรือมั่น ที่แนวที่ค่อนข้างจะละเอียดลงไปต่อถึงก็คือการยึดมั่นถือมั่นที่ต้องการให้เป็นในขณะนั้นๆซึ่งเราจะเห็นว่าบางขณะมันก็เป็นได้แต่บางขณะก็เป็นไม่ได้ตัวอย่างที่ดูให้อย่างชัดเจนก็คือดูจิตของเราในการเจริญกัมภันต์ในการทาสมาธิสังเกตว่าบางครั้งเราก็คุมจิตให้สงบได้ก็สงบอยู่ได้พอสมควร บางครั้งก็เอาไม่ได้เลยเมื่อนั่งสมาธิจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าจิตบางทีก็แขวงมากๆไม่ยอมสงบอยู่กับที่แกวิ่งไปโน่มวิ่งไปนี่วิ่งไปนั่นแต่บางคราวก็อยู่สงบได้หรือวกฟุ้งเหมือนกันแต่ว่าดึงกลับมาได้เร็วบางทีก็ดึงไม่ได้เลยนั่นคือแสดงถึงสัจธรรมที่แกก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของแก ในกรณี้ของจิตเราทำไมจึงไม่ส ง, งบหรือทําไมส ง, งบช้าทําไมส ง, งบเร็วออทําไมส ง, งบเร็วแล้วก็ฟุ้งไปไกลทําไมสงบเร็วแล้วก็ฟุ้งไปไม่ไกลทําไมยึงส ง, งบไม่ได้นานๆเป็นต้นเมื่อาศัยเงื่อนไขที่เป็นเหตุปัจจัยที่ดอยต่อเนื่องกันมาแบบกระแสน้ำที่มาไหลามาก็ดึงเอาสีออออเอาฝุ่นเอาครนตกลงมาต่ายลงมาด้วยเพราะาข้างบนมันมีฝุ่นมีครนตกลอยู่มาก น้ำข้างล่างก็ต้องขุนเป็นธรรมดาเพราะมันไหลมาจากข้างบนโดยสืบเรื่องมาจากน้ำข้างบนจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราในวันใดจิตใจเราพาภักดิูมบ่นมีเรื่องคิดมีเรื่องกระตุ่มมีเรื่องวิตกกังวลจนถึงก็ควยคว้าไปกไปกลไกลวันนั้นถือว่าใจมีปัิโผธ่เราก็ส ง, งบได้ยากแต่วันใดที่โปร่งเบาสบายมาตั้งแต่ตอนเช้า ไม่มีความมิตกกังวลหลังจากไหวพระสดบนไปแล้วใจก็พร้อมที่จะสงบมันก็สงบได้เร็วแต่มันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างหนึ่งว่าการยึดมั่นถือมั่นของบุคคลที่ให้เป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นไปนั้นเป็นการหลงประเด็นของสัจธรรมเป็นการละเลยการมองสิ่งต่างหลายตามเหตุตามปัจจัย แต่ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป